ธรรมบทแปลเรื่องที่91เรื่องพระสัพพทาสเถระภาคที่สเรื่องที่11ของวังที่8ปดศาสวัควรรณน า, นาพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระสัพพทาสเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะวัสสสะตังจีเวเป็นต้นดังได้สดับมา กลุบุตรผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระสัสดาแล้วบรรพชาได้อุปสมบทแล้วโดยสมัยอื่นอีกกระสันขึ้นจึงคิดว่าชื่อว่าภาวะแห่งเครืหัดไม่ควรแก่กลุบุตรเช่นเราแม้การดำรงอยู่ในบรรมชาแล้วตายไปเป็นความดีของเราอย่างนี้แล้ว ก็เที่ยวคำนึงหาอุบายเพื่อมรณะของตนอยู่ภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายทรงน้ำแต่เช้าตรู่ทำพธธัฒกิจเสร็จแล้วไปสู่วิหารเห็นงูที่รองไฟจึงใส่งูนั้นไว้ในหม้อใบหนึ่งปิดหม้อแล้วถือออกจากวิหารฝ่ายภิกษุผู้กระสันทำพธธัฒกิจแล้วเดินมาเห็นภิกษุเหล่านั้นจึงถามว่า นี่อะไรผู้มีอายุเมื่อพวกภิกษุตอบว่างูผู้มีอายุจึงถามว่าจะทำอะไรได้วยงูนี้ฟังคำของภิกษุเหล่านั้นว่าเราจะทิ้งมันคิดว่าเราจะให้งูนี้กัดตัวตายเสียจึงกล่าวว่านามาเธอร์กระผมจกทิ้งมันเองรับหม้อจากมือของภิกษุเหล่านั้นแล้ว นั่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งแล้วก็ให้งูนั้นกัดตนงูไม่ปรารถนาจะกัดภิกษุนั้นเอามือล้วงลงในหม้อแล้วก็คนข้างโน้นข้างนี้เปิดปากงูแล้วสอดนิ้วมือเข้าไปงูก็ไม่กัดเธอเลยเธอคิดว่างูนี้ไม่ใช่งูพิษเป็นงูเรือนจึงจๆงงูนั้นแล้วได้ไปยังวิหารลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกล่าวกับเธอว่าผู้มีอายุท่านทิ้งงูแล้วหรือภิกษุกระสันผู้มีอายุนั้นจะไม่ใช่งูพิษนั่นเป็นงูเรือนภิกษุผู้มีอายุงูพิษทีเดียวแผ่แม่ี้ ย, ยใหญ่ขู่ฟู่ฟู่พวกผมจับได้โดยยากเพราะเหตุไรท่านจึงว่าอย่างนี้ภิกษุกระสันภูมีอายุ ผมให้มันกัดอวัยวะบ้างสอดนิ้วมือเข้าในปากบ้างก็ไม่อาจให้มันกัดได้พวกภิกษุฟังคำนั้นแล้วได้นิ่งเสียภายหลังวันหนึ่งช่างกระบกถือมีดโกน2 0สาเล่มไปวิหารวางมีดโกนเล่มหนึ่งไว้ที่พื้นแล้วเอาเล่มหนึ่งปลงผมของภิกษุทั้งหลายภิกษุกระสันนั้นจับมีดโกนเล่มที่เขาวางไว้ที่พื้นแล้ว คิดว่าจะตัดคอด้วยมีดโกนหนีตายจึงยืนพาดคอไว้ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วจ่อคมมีดโกนที่แกนคอใคร่ครวนถึงศีลของตนจำเดิมแต่การอุปสมบทได้เห็นศีลหมดมนทินดังดวงจันทร์ปราชจักมนทินและดังดวงมณีที่ขัดดีเมื่อเธอตรวจดูศีลนั้นอยู่ปิติเกิดแผลส่้นทั่วทั้งศริร เธอขมปิติได้แล้วเจริญวิปัสนาบรรลุพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายจึงถือมีดโกนเข้าไปท่ามกลางวิหารลําดับนั้นภิกษุทั้งหลายถามเธอว่าผู้มีอายุท่านไปไหนภิกษุกระสันผู้มีอายุผมไปด้วยคิดว่าจะเอามีดโกนนี้ตัดก้านคอตายภิกษุเมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไรท่านจึงไม่ตายภิกษุกระสันบัดนี้ผมเป็นผู้ไม่ควรนําสัตตรามาด้วยว่าผมคิดได้ว่าจะตัดก้านคอด้วยมีดโกนนี้แต่ตัดกิเลสเสียสิ้นด้วยมีดโกนคือยานพวกภิกษุกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่าภิกษุนี้พยายามกรรพระรหัสด้วยคําที่ไม่เป็นจริงพระผู้มีพระภาค ทรงสดับคําของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขี่นาศอมไม่ปลงตนจากชีวิตด้วยมือตอนเองภิกษุพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสภิกษุนี้ว่าเป็นพระขี่นาศก็ภิกษุนี้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์อย่างนี้เหตุไรจึงกระสันอะไรเป็นเหตุแห่งอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของภิกษุนั้น เอตดไรงูนั้นจึงไม่กัดภิกษุนั้นพระศัสดาภิกษุทั้งหลายงูนั้นได้เป็นธาตุของภิกษุนี้ในอัตภาพที่สามจากอัตภาพนี้ก่อนมันไม่อาจจะกัดสเีรร่างของผู้เป็นนายของตนได้พระศัสดาทรงบอกเหตุอย่างหนึ่งแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยประการชนีก่อนก็ตั้งแต่นั้นมาภิกษุนั้นได้ชื่อว่าสัปปทาส ได้สดับมาในการแห่งพระกส ป, ปะพุทธเจ้าบุตรแห่งขริหัดดีผู้หนึ่งฟังธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความสลดใจจึงบรรพชาได้อุปสมบทแล้วโดยสมัยอื่นอีกมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นจึงบอกแก่ภิกษุผู้สหายรูปหนึ่งสหายนั้นกล่าวโทษในภาวะแห่งขริหัดแก่เธอเนงเนือง ภิกษุนอกนี้ฟังคำนั้นแล้วก็ยินดียิ่งในพระศาสนาจึงนั่งขัดสมณาบริขารทั้งหลายซึ่งมนทินจับในเวลาที่ไหนในก่อนให้หมดมนทินใกล้ขอบซาแห่งหนึ่งฝ่ายสหายของภิกษุนั้นนั่งในที่ใกล้นั่นเองลำดับนั้นภิกษุกล่าวกับสหายนั้นอย่างนี้ว่าภู้มีอายุผมเมื่อศึก ได้ปรารถนาจะถวายบริขารเหล่านี้แก่ท่านสหายนั้นเกิดโลภขึ้นคิดว่าเราจะต้องการอะไรด้วยภิกษุนี้ผู้ยังบวชหรือศึกเสียบัดนี้เราจะยังบริขารทั้งหลายให้ชิบหายตั้งแต่นั้นมาสหายนั้นพูดเป็นต้นว่าผู้มีอายุบัดนี้จะประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของพวกเราผู้ซึ่งมีมือถือกระเบื้อง เที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวในสกุลผู้อื่นยังไม่ทำการสนทนาปราศัยกับบุตรและภระยาดังนี้แล้วก็กล่าวคุณแห่งภาวะของขรรค์หัสพิกษุนนั้นฟังคำของสหายนั้นแล้วก็กระสันขึ้นอีกคิดว่าสหายนี้เมื่อเรากล่าวว่าผมกระสันก็กล่าวโทษในภาวะแห่งขรรค์หัดก่อนบัดนี้กล่าวถึงคุณหนึงเือง เหตุอะไรหนอแลรู้ว่าพระความโลภในสมณบริขาเหล่านี้จึงกลับจิตของตนเสียด้วยตนเองทีเดียวเพราะความที่ภิกษุรูปหนึ่งถูกตนทำให้กระสับแล้วในการแห่งพระกสปะพระพุทธเจ้าบัดนี้ความเบื่อหน่ายจึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นด้วยประการชนี้ก็สมณธรรมใดอันภิกษุนั้นบาเพ็ญมาสอง0 0ปีครั้งนั้น สมณธรรมนั้นเกิดเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของภิกษุนั้นในการบัดนี้แลภิกษุเหล่านั้นฟังเนื้อความนี้จากสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วจึงทูลถามยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าข้าได้ยินว่าภิกษุนี้ยืนเจาะคมมีดโกนที่ก้านคออยู่เที่ยวบรรลุพระอรหัตพระอรหัน ต, ตมรรคเกิดขึ้นได้โดยขณะ เพียงเท่านั้นหรือหนอแลพระศัสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้ปรารบความเพียรยกเท้าขึ้นวางบนพื้นเมื่อเท้ายังไม่ทันถึงพื้นเลยพระอรหัตมักก็ได้เกิดขึ้นแต่จริงความเป็นอยู่แม้เพียงชั่วขณะของท่านผู้ปรารบความเพียรประเสริฐกว่าความเป็นอยู่100ปีของบุคคลผู้กิจครนัน ตังนี้แล้วเมื่อจะทรงสื่อนุสน ท, ท, ที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานีว้ว่าโยจะวัสสตังจีเวกุซีโตฮินวีริโยเอกะหั่งจีวิตังไสโยวิริยังอารัพโตดันหันติก็ผู้ใดเกียรติครานมีความเพียรอันสามพึ่งเป็นอยู่หนึ่งรปี ความเป็นอยู่วันเดียวของท่านผู้ปลาลบความเพียรมั่นประเสริฐกว่าชีวิตของผู้นั้นแกอบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากุซีโตได้แก่บุคคลผู้ยังเวลาให้ล่วงไปด้วยวิตกสามมีการมาวิตกเป็นต้นบทว่าหีนวิริโอคือไร้ความเพียรบาพระกาถาว่าวิริยังอารัพโตนันงหังความว่า ผู้ปรารบความเพียรมั่นคงซึ่งสามารถยังชาญสองประการให้เกิดคำที่เหลือเช่นเดียวกับคำมีในก่อนนั้นแลในการจบเทศนาชนเ็นันมาบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระสะปัปพทาสาระ